โตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาระหังสัมมาสัมพุทโภพะวาพุทธังภะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะวัตตาธโมธรรมนามสาังสุปฏิปันโนภะวัโตสาวกสังโฆสังคังนาม พูดถึงในเรื่องของรู้ชัดอกุศลรู้ชัดรากรากเงาของอกุศลแล้วก็รู้ชัดกุศลแล้วก็รู้ชัดรากเงาของกุศล เ, เมื่อเช้าก็เพิ่พูดถึงในเรื่องของตัวโทสะซึ่งเป็นรากเงาของอกุศลประเภทที่สอง ทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของตัวโทสะเนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจอยู่หลายประเด็นนะพระชาก็พูดเรื่องอาคาตะวิรัตสิประการก็คืออุบายสำหรับกําจัดความอาฆาตปล่อยเกิดเมตตาสิประการได้พูดไปแล้วทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือวิคคาหิกะคกาถาคำพูดที่เป็นเหตุให้เกิ ด, ก, ดการทะเลาะวิวาทกัน ทั้งเรื่องทางโลกและทางธรรมนั่นจัดเป็นพ ร, รุศวาจาเป็นวาจาที่หยาบด้วยเกิดด้วยอำนาจของโทสะจิตเป็นประธานมี14ประการเช่นการดูหมิ่นคนอื่นว่าท่านไม่รู้ทําวินยัยข้าพเจ้ารู้ทําวินยัยแล้วก็ท่านจักรู้ทําวินัยได้อย่างไรท่านเป็นผู้ปฏิบัติผิดข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติถูกคาพูดของข้าพเจ้าถูก ทั้งก่อนและหลังคำพูดของท่านไม่ถูกทั้งก่อนและหลังคำที่ควรพูดก่อนท่านกลับมาพูดที่หลังคำที่ควรพูดที่หลังท่านกลับไปพูดก่อนข้าพเจ้าพูดคำเดียวสามารถลบล้างคำพูดของท่านใดทั้งหมดข้าพเจ้าจะผิดความผิดของท่านได้ท่านเป็นผู้ถูกข้าพเจ้าข่มขี่เสียแล้วท่านไปแสวงหาความรู้มาใหม่เถิดถ้าท่านยังมั่นใจในความเชื่อของท่านก็จงตอบโตามานี่เป็นต้น เนี่ย14ประการนี้เป็นโทษทั้งในทางปริยัติทางปฏิบัติส่วนทําลายประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ของบุคคลอื่นให้พินาศและเป็นเหตุให้แตกสามัคคีกันด้วยนั้นคำพูดแบบลักษณะแบบนี้มันตั้งด้วยโทสะให้สังเกตดูนะแล้วจะพูดอะไรขึ้นมาถ้าเราตั้งโดยโทสะจิตขึ้นมาแล้วมันพูดด้วยความไม่พอใจแล้วจะเป็นเหตุถึงการแตกสามัคคีกันแตกรา้ากันไอ้นี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดการวิวาทกัน สำคัญมากเลยจะอยู่ในฐานะไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าตั้งประเด็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วแตกทีนี้ลักษณะของผู้ที่หนักในโทสะจริต ล, ลองสังเกตดูนะว่าคนที่หนักก็คือคนที่มีความโน้มเอียงไปทางขี้โกรธมักโกรธผูกโกรธพยาบาทเนี่ยไม่ทราบว่าน่งที่ตรงเนี้ยใครเป็นว้างก็ไม่รู้เป็นไหมหนักไปทางหงุดหงิดง่าย ประการแรกโกโรธเป็นคนมักโกรธหงุดหงิดลำคาญใจง่ายแม้เรื่องเล็กๆในน้อยเนี่ยที่ไม่ควรถือเอาเป็นสาระก็เห็นเห็นเป็นเรื่องใหญ่โตโกรธกับฟัดกับเพียดโดยไร้เหตุผลเป็นไหมก้อนนี้ยเป็นไหมไม่เป็นมากเลยใช่ไหมเนี่ยลักษณะอย่างเนี้คนหนักไปทางโทสะนี่ประการแรกเลยเป็นคนเรื่องเล็กๆในน้อยเนี่ยสามารถหยิบเอามาเป็นประเด็นอย่งการถกเถียงแล้วก็โกรธกันได้ว่างั้นเถอะ คือสามารถหมุนให้เป็นเรื่องใหญ่ได้อธิบายให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ทั้งๆ ท, ที่เรื่องเล็กนิดเดียวเนี่ยเช่นเช่นมีคนทำเปื้อนนิดเดียวเนี่ยตอกระปอกนิดเดียวแค่นี้โอ้โหพูดเป็นเรื่องปวปลาเนี่ยต่อไปเนี่ยจะทำมาหา ก, กินยังไงต่อไปไปมีครอบครัวต่อไปไปทำอะไรก็ประสบความล้มเหลวเห็นไหมเนี่ยแค่นิดๆหน่อยๆ น, นี่มันสำคัญนะไม่ใช่ไมสำคัญโอ้โหถือเป็นเรื่องใหญ่อธิบายจะเป็นเรื่องใหญ่โตระดับประเทศขึ้นมาได้เลยใช่ไหมคืออยากชนะเขาแน่ สอุปนาโหอุปนาหะเป็นผู้ผูกโกรธแม้ความผิดเล็กน้อยไม่หนักหนาะสาหัสอะไรแต่เมื่อโกรธแล้วก็ผูโกรธเป็นเวลานานใช่ไหมคือฝังความโกรธไว้อย่างนั้นแหละความดีที่เคยทาต่อกันก็ถูกความโกรธเพียงเล็กน้อยเนี่ยลบล้างเสียสิ้นเลยแล้วก็ละคลายได้ยากให้อภัยได้ยากบางคนผูกกด ไว้จนตลอดชีวิตเนี่ยทำตนให้เป็นทุกร้อนด้วยไฟคือโทสะอยู่เสมอคือเรื่องแนตะ่ถ้าไปเจาะเข้าไปจริงๆที่โกรธกันมาจนถึงทุกวันเนี่ยบางทีไม่มีอะไรเยอะหรอกนะเจาะไปเจาะมาทั้งหลายเหล่านี้แต่เป็นเรื่องที่คิดซ้ําๆๆๆๆๆบ่อยๆมันก็เลยปริมาในความคิดซ้ําบ่อยๆนั่นะแหละมันก็เลยหนานแน่นขึ้นกลายเป็นการผูกโกรธโกรธั้งแรกเป็นโกโกทะ ถ, ถ้าโกรธต่อๆมาเป็นอุปนาหะคือผูกโกรธ นี่หนักคนที่ต้องการให้ตนเองเนี่ยเป็นคนหนักในโทสะก็ให้คิดแบบนี้และที่เราเห็นคนเป็นกันอย่างนี้ก็เพราะนี่แหละประการที่สามมรโขหรือมักขะถ้าแปลรบหลูคุณท่านบุคคลที่เป็นคนเจ้าโทสะเนี่ยเมื่อกโกรธขึ้นมาแล้วก็ย่มขาสติไม่สามารถที่จะยั้งคิดพิจารณาให้รอบครอบได้ แม้บุคคลผู้มีพระคุณก็ลบล้างคุณเสียสิ้นเลยลบล้างบุญคุณเลยย่ำคิดดูถูกเหยียดหยามความชั่วความผิดเล็กน้อยก็ขุดมาประจานทำให้รับความเสียหายมุ่งทำลายบุคคลนั้นในพินาศใหญ่ยับเคยเห็นคอนเทนท์ที่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหเอามาพูดเยอะนั่นแหละนี่เครือมักขะประการที่สี่ปราโศตีตนเสมอท่าน บุคคลที่เป็นเจ้าโทสะมีนิสัยมักใหญ่ฝ่สูงมีความทะเยอทะยานเนะี่ยอยากดีอยากเด่นเกินตัวเห็นใครได้ดีแล้วก็ทะเยอทะยานหาช่องทางติตีตนเองให้สม่ำเสมอหรือดูถูกเหยียดหยามให้บุคคลนั้นต่ําต้อยเสมอกว่าตนเองเร็วสามยิ่งกว่าตนเองก็ได้เนี่ยบุคคลทั้งหลายจะได้ไม่ให้ความสําคัญกับบุคคลอื่นมากกว่าตนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้ามีใครมายกย่องคนอื่นให้ฟังแล้วก็จะพูด ให้ก็ตกไปแล้วก็บอกว่าคนนี้ไม่ได้เรื่องมันแย่กว่าเราอีกคุณธรรมก็ไม่มีคุณสมบัติก็ไม่มีนิสัยก็หยาบช้าเร็วซ้ำไม่ได้เรื่องได้ลาวเลยคนคนนี้ความสามารถก็ต่ำต้อยความรู้ก็ไม่มีอะไรหรอกพูดอย่างเงี้ย <c oughs> เคยไหมพูดตัดเขาหมดเลยว่างั้นตัดให้เขาเห็นดูกระจอกงอง่อยไปเลยเงี้ยลักษณะเนี้ยก็ เ, เรียกว่าปราศะอิศาหรือลิษยาเนี่ย คนเจ้าโทสานั้นก็เป็นคนชอบอิจฉาริษยาในทรพัพย์สมบัติและคุณความดีกับบุคคลอื่นเห็นบุคคลอื่นได้ดีแล้วทนไม่ได้อิจฉาตาร้อนด้วยการริษยาไม่ต้องการเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขย่อมสแสวงหาช่องทางที่จะทําลายความเจริญของบุคคลนั้นได้ในริษยาทํำลายโลกเลยนะี่ยอันนี้ตระกูลกลุ่มพูดมาทั้งหมดในกลุ่มกลุ่มโทสานะอมาตยยัตตีมัฉ ร, ริยะเนี่ย ญาติสามัรตณนีหวงเห็นทรัพย์สมบัติและคุณความดีของตนเอง <c oughs> ทั้งที่อยู่ทั้งอะไรก็ว่าไปเหรอเนี่ยห่วงที่อยู่เรามีไหมตรงเนี้ห่วงไหมหวงสิ่งของห่วงที่อยู่ห่วงทรัพย์ห่วงไหมเป็นไหมไม่มากใช่ไหมขัดเคืองไหมแล้วนั่งที่ตรงไหนแล้วมีคนมานั่งรู้สึกขัดเคืองปุ๊บเลย รู้สึกมันขัดเครืองขึ้นมาเลยโอ้โหตรงไหนไม่นั่งมานั่งที่เราอะสมมติเรากลับไปที่บ้านเนี่ยไม่ได้บอกเลยคนใช้ไปนอนเอกคนเอกก็ที่นอนเราถ้าจะมีความรู้สึกไงโอ้โหนี่มันนอนได้ไง เอาไปเรื่องใหญ่ลเลยเอาไปซักวันเกียรติเออเป็นเรื่องหวงชาติหวงตะกูลหวงวันนะหวงสีผิวเนี่ยเราอย่าคิดว่าเราไม่มีนะนี่แหละเราเน้นว่าอินเดียมีอคนไทยเนี่ยมีจัดเลยมีเยอ ะ, ละเลยแล้วไอ้กบิลพัทเนี่ยสายกระวงเนี่ยแตกกับพราะนี่แหละโดนทําลายก็วเพราะนี่แหละตอนพิทูตะพาไปเนี่ย พี่ตัวตะพาคับมาเอาน้ำนมล้างมาล้างให้คนใช้อ่ะอคนน้ำนมล้างเลยโอ้โหต้องทำต้ อ, อของสะอาดที่สุดเนี่ยน้ำนมเนี่ยล้างคนใช้ก็ด่าไปล้างไปอีกคนจันทานอีกคนวันน่ะต่ำต้อยไม่ต้องไปทำให้เราต้องเหนื่อยต้องอน้ำนมมาล้างหลายรอบเลยอย่างงี้โอ้โหแทนไว้ละพังเลยเห็นหมสากยะวงนี่นี่แหละพี่ตัะพาเนี่แหละ ลูกของพระยาประเสริฐที่โกศลที่เกิดจากนางวาสภาคธิยานีน่แหละห่วงแล้วก็ตีเสมอไม่ต้องการเห็นคนอื่นรวยกว่าตนเองมีความสุขมีหน้ามีตาแสดงอาการกิจกันห่วงแหนบางคนก็แสดงอาการตหนีแม้ในทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นหรือส่วนรวมของส่วนรวมเนี่ยเห็นของส่วนรวมปุ๊บเนี่ย เห็นคนอื่นใช้กันนะโอ้โหขัดเครื่องเฉยเลยทั้งที่เคยเป็นไหมล่ะเช่นใช้ถนนร่วมกันเนี่ยมเราก็ไอเรามันศักสีมากกว่าเขาแอันั้นมายังไงเนี่ยรถมันก็จอกกว่าเราเรามันรถเบนใช่ไหมมันต้องหลีกให้เราสิไอนั้นมันรถราคาเท่าไหร่เนี่ยรถกระป๋องเนี่ยใช่ไหม รถกระบะ ว, วิ่งวิ่ง ม, มาแซงเราเฉยเลยมึนขัดเครื่องขัดห่วงถนส น, นสาธารณะมันหลายเรื่องหมดเลยแม้จะไปเลียงแถวต่อแถวเข้าอะไรต่างๆก็แล้วแต่ทั้งทั้งที่ของนั้นเนี่ยมันเป็นของสาธารณะที่บุคคลต้องใช้ร่วมกันนี่แหละนะพอเข้าไปปุ๊บเนี่หวงขึ้นมาทันทีเลย ถ้เาเขาแซงคิวเขก็ผิดระเบียบแต่เราต้องไม่ขุนเครื่องก็ต้องบอกเขาใช่ไหมแต่มันขุนเครื่องขึ้นมามันโกรธขึ้นมาเนี่ยเนี่ยมันตนีนมาตรงนี้ <c oughs> จริงๆมันทําผิดก็ต้องบอกกั น, ต, นตามหน้าที่ใช่ไหมก็อุเบกขาเนี่ยก็ต้องวางใจเป็นกลางก็ให้คนอื่นหรือเจ้าที่คนที่เกี่ยวข้องมาจัดแก่ก็ทําผิดระเบียบแต่ไม่ควรไปโกรธเขา เรามันน่าโกรธนี่ค่ะนี่ <c oughs> เคยเป็นไหมเนีย่ยก็เป็นพระนานๆก็เสียนิสยยัยเงี้นี่ยถูกเป็นอภิชิตติดชนเลอะมองเห็นไหมไปๆมาก็จะเสียนิสยัยพราะึกกับไปเลยกลายเป็นคนเข้ากับใครไม่ได้นั่งเครียดนั่งกุมอยู่เนี่ยเพราะสถานภาพมันหมดใช่ <c oughs> ไหมเพรตอนเป็นพระนี่มีแต่คนยกย่องย่อยเม้งคนก็ให้เกียรติคนก็อะไรเงี้ย พอซึ่งพอซึ่งก็ไปในกลายเป็นอใครเนี่ยเนี่ยแต่ก่อนผมพระไม้งไงไม่ไม่สนอะไรตอนนี้ไม่ใช่แล้ว <c oughs> <c oughs> โอเครียดโกรธลยไรทีนี้กลับไปนั่งคิดนั่งกุ้มเลยบางทีี่เป็นห่วงด้วยเนี่ยหวงแต่หนีในทราบสมบัติของคนอื่นและของส่วนรวมด้วยเห็นของส่วนรวม เห็นคนเขาใช้ถนนใช้สั์ที่สาธารณะใช้สะใช้ไฟอะไรเงี้ยโอ้โ ห, โ, โ, หโกรธพอถึงตอนกลางวันปุ๊บไม่ปิดไวใช่ไหมดา่าขับรถไปด่าไปไม่รู้จักประหยัดของส่วนรวมเคยเป็นไหมล่ะคนดีเขาเป็นอย่างนี้เลยดีจัด แล้วก็คุยกันแบบโอ้โหอย่างเครียดเลยนะโทรไปตรงนั้นตรงนี้เป็นวลเมืองดีแต่มีมัจฉริยังความตนนีบุคคลที่อยู่อย่างมีความทุกข์ใจหกประการนะหนึ่งกามวิตกเกณฑ์เสติก็คือบุคคลที่เป็นอยู่ด้วยกามวิตก คือบคุคคลที่ตรึกแต่เรื่องกามและการเสพกามอยู่เสมอหมกมุ่นอยู่ในกามเคยเป็นไหมไม่เคยเป็นไหมบคุคคลเหล่านี้ย่อมมีอาการงุ่นง่านใจไม่เป็นสุขดิ้นรนแสวงหากามมาหลมมาเสพอยู่เสมอเมื่อได้เสพตามที่ต้องการย่อมเกิดอาการหลงไหลแต่เมื่อไม่ได้เสพตามที่ต้องการก็มีอาการทุรนทุรายด้วยอำนาจของคนโทสะเขาเรียกคนบ้ากาม <c oughs> นี่ก็งีนทุกงุ่นงานงุ่นงานยันอะไรในเคยเป็นมอ้าวเป็นบากรามคําเสพก ร, รมในที่นี้ก็คือสีเสียงกลิ่นรสทั้งหมดเลยเนยนะ <S <S บางพยาปาทาวิตกเกณนะเสตติบุคคลที่เป็นอยู่ด้วยพยาบาทวิตกบุคคลที่ตรึกถึงแต่เรื่องทําให้เกิดความโกรธอางคาดพยาบาทจองเวน หาวิธีการประทุษร้ายคนอื่นสิ่งอื่นที่ตนเองไม่ชอบใจเนี่ยตรึกถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วก็โกรธอาฆาตความพยาบามก็เกิดอยู่เสมอการเป็นคนจองเวรหาวิธีการที่จะประทุษร้ายคนอื่นด่าคนอื่นคิดจะให้คนอื่นพินาศบ่นด่าว่าเขาอยู่ตลอดเวลาออกจากบ้านก็นัน่นแหละพดตั้งแต่นั่งรถไปจนถึงที่จอดรถกันลวงนเลย กลับมาก็ยังมาบน่นบ่นเจอใครก็ด่าว่าเคยเจอคนประเภทนี้ไหมเคยเป็นไหมแล้วจะเป็นคนเสียงดังเอะอะโวยวายพวกนี้กลุ่มโทรสาริตอยากอยู่ใกล้ไหมเนี่ยคนที่หนักคนที่มีความทุกข์ใจเนี่ยอยู่อย่างเป็นทุกข์สามวิหิงสาวิตกเกณนะเสะติบุคคลที่เป็นอยู่ด้วยวิหิงสาวิตกมุ่งร้าย มุ่งทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นสิ่งอื่นที่ตนเองไม่ชอบเริ่มได้ของความโกรธเหมือนกันไม่ชอบใจอยู่ไม่สุขใจเลยสแสวงหาเรื่องทะเลาะวิวาสจะทําร้ายบุคคลอื่นสิ่งอื่นที่ตนเองไม่ชอบใจอยู่เสมอเลยนะคิดเบียดเบียนเขาคิดทําร้ายเขาในคิดให้เขาวิบกามสัญญายาเสตีบุคคลที่เป็นอยู่ด้วยกามสัญญาก็หมายถึงบุคคลที่ตัดความคิดในเรื่องกามไม่ได้คือมันจํามา จำสิ่งที่ตนเองเคยเสวยเคยมีความสุขในกามเคยเสพบกามเคยเกี่ยวข้องกับกามะคุณเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าความสุขของมนุษย์ก็ต้องเรื่องกามนี่แหละต่างกันตรงที่ว่าไอ้นึงเป็นวิตกมีกาลังอีกตัว น, นึงคือมันขวสัญญามีกาลังอีกอันนึงเนี่ยอันนึงก็คือมันไปตรึกคิดเรื่องกามไปเลย เนะีเรื่องใหม่ๆเรื่องเลงต่างคิดได้นะีปัจจุบันคิดได้ใหม่ๆคิดได้แต่พวกกลุ่มการมสัญญานี่จาอดีตทรงจําไว้แล้วถูกสอนถูกสั่งถูกบอกมาแล้วก็ได้ข้อมูลมาแบบผิดๆว่ามนุษย์จะมีความสุขได้ก็คือการมีการมาคุณมาหล่อเลี้ยงเราต้องมีบ้านสวยๆมีรถคันงามมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีบริวารที่ดีร้านอาหารดีๆสถานเที่ยวที่ดีๆอะไรก็แล้วแต่เหอะ แล้วถูกสั่งสอนว่านี่คือความสุขของมนุษย์แล้วก็จํามาจำจำจำจาจําในรูปจําในเสียงจําในกลิ่นจําในรสจําในสวิตภัณจําในธรรมารมจาในเรื่องราวต่างๆจําในบัญญัติต่างๆว่าเนี่ยพอกามะคุณเหล่านี้เท่านั้นที่จะทําให้มนุษย์มีความสุขได้มนุษย์ที่ก็ถูกสัญญากระตุ้นตลอดและตนเองก็เดินตามสัญญานั้นโดนป่ปันจากสัญญานั้นคอยกล่อมกล่ำตนเองตลอดมองเห็นไหมตอนนี้สัญญาคือความจํามีกําลังไม่ใช่วิตกมีกําลัง วิตกมันการตรึกการตรองขึ้นมาใหม่ก็ได้คิดใหม่ก็ได้ไสัญญานี่มาจากการจำมันฝังใจไว้เนะียพวกนี้ก็คือว่าเวลาเรามีความจำว่าถ้าเราได้เกี่ยวข้องกับการประเภทนี้เราจะมีความสุขแต่นี้มันก็หาไม่ได้ทุกเลยแตนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นว่า อยากจะได้บ้านสักห้าสิบล้านดูทุกมากแต่มันจำไว้แล้วเขาคงมีความสุขนะเนี่ยดูที่เขามีรถงามๆใช่ไหมมีบ้านหรูๆมีสระว่ายน้ำ <c oughs> ไอเรามันไม่มีทุกไหม ม, มันก็ถูกสั่งสมมาจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เคยมีแล้วหมดไปก็ได้ ไม่เคยมีก็ได้เพราะจำมาเราอ่านนิตยสารอะไรก็แล้วแต่โอ้โหเขามีความสุขกันมากเขามีการไปเที่ยวกันมีความสุขมีเรือสำรานความจาแล้วจำไว้แม่นแ ล, แล้วเราก็อยากจะมีความสุขอย่างนั้นสักครั้งหนึ่งในชีวิตเคยเป็นไหมเคยคิดไหมลนะ่ะอยากจะไปเที่ยวฮะ คือกลุ่มเหล่าเนี้ยมันที่มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันหวังแล้วไม่สมหวังเคยจําอย่างนี้ไว้ได้แล้วมีความเก็บกดรู้สึกทะเยอทยานอยากไว้สั่งสมกรรมคุญเพื่อขอูดให้มากขึ้นด้วยการกระสรับกระส่ายเพื่อหากามอารมณ์นั้นอยู่เสมอจนอยู่ไม่เป็นสุขพวกนี้อยู่ไม่เป็นสุขนี่พวกกรมมสัญญาอันตรายมากเลย คือคิดเราคิดไหมว่าจริงๆความสุขของมนุษย์ก็คือได้เกี่ยวข้องกับกามคิดอย่างนั้นไหมแลวเดี๋ยวนี้นี่กลุ่มนี้เ ข, เขาก็อยู่เป็นทุกข์ทรมานตลอดไปอยู่ที่ไหนไม่เป็นสุขโอ้โหเราคิดจะเพ้อเยอะเลยหมดเลยใช่ไหที่เคยฝันไว้สัญญาที่เคยจดจําไว้เยอะแยะหมดเลยหม จำว่าอยากจะมีเงินสักร้อยล้านเราคงจะมีความสุขหาไม่ถึงสักทีมาก็หมดมาก็หมดเนี่ยเป็นการมสัญญาทุกข์ใจตลอดอยากจะได้บ้าน ง, งามๆไอคนนั้นได้เราไม่ได้อะไอคนที่มันเคยอยู่กับเรามาเดี๋ยวนี้มันได้บ้านดังราคาร้อยล้านเงี้ยเรายังอยู่บ้านราคาห้าล้านหกล้านอยู่เลยออื <c oughs> มองเห็นไหม เออเนี่ยมันทุกทุรนทุรายเนี่ยนี่คื อ, ค อ, คอกลุ่มตามมสัญญาพยาบาทสัญญายะเสติบุคคลที่เป็นอยู่ด้วยพยาบาทสัญญาก็หมายความว่าบุคคลที่ยังตัดความคิดอาฆาตพยาบาทจองเว้นไม่ได้มันจําอยู่นั่นนี่ตัดไม่ลงเคยเป็นไหมอา้าวอย่างคนใช่ไหมที่บอกเนี้ยเนี่ยยอมยังละความมาฆาาไม่ได้เลยสามปีสีปีมาแล้วเนี่ยนี่ี่นี่กลุ่มพยาบาทสัญญา มันเข้าไปอยู่ในล่องรอยของพยาบาทแล้วมันออกจากมันไม่ได้ทุกไม่ทุกทรมานไม่ทรมานอยากออกไม่อยากออกแต่มันเสพติดไปแล้วนอนเป็นพยาบาทก่อนแล้วในในตัวพยาบาทนันก็มีสัญญาการจำไว้ด้วยยินดีพอใจในการอาฆาตทึกเหือมในใหม่ๆไปอย่างนั้น นักเข้านักเขาก็พอได้พบเห็นหรือได้กระทำปัทส้ายบุคคลหรือที่ตนเองปัทสลายอยู่เสมอก็อยู่ไม่เป็นสุขกระสับกระสายกิริยาก็หยาบกระด้างมีการหงุดหงิดงุนง่งานตลอดอันนี้มันออกจากสัญญานั้นไม่ได้เคยเป็นไหมโกรดใครสักคนแล้วคิดทำร้ายเขาอยากให้เขาวิบัติก็ไม่วิบัติตามที่เราคิดทกทีเคยเป็นไหม กระทกใจซะเองเลยวิหิงสาสัญญาเสติกับบุคคลปิดยินอยู่ด้วยวิหิงสาสัญญาก็เพราะว่าตัดความคิดเบียดเบียนไม่ได้มันไปคิดเป็นล่องรอยจนกลายเป็นนิสัยไปเลยทีนี้แต่เป็นทุกข์ด้วยนะครุ่นคิดโกรธอาฆาตไม่ชอบใจไม่ชอบใจแต่ก็ไม่รู้จะออกจากมันยังไงนี่เขาเรียกว่าเป็นความทุกข์เลยนะทีนี้ โทษที่เกิดจากความโกรธเนี่ยประการคืออะไรรู้หมหนึ 1. ปิสุนาวาจาการกล่าววาจาส่อเสียดใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นที่ตนเองไม่ชอบใจทำให้บุคคลอื่นเกิดความเสียหายหรือทำให้หมู่คณะแตกแยกสามัคคีกันเนี่ยบุคคลนั้นย่อมประสบความทุกข์นานานาประการเช่นไม่เป็นที่ไว้วางใจของบุคคลทั้งหลายไม่มีความรักใครไม่มีใครรัก ยังรักพักดีด้วยความบริสุทธิ์ใจตายไปแล้วก็ต้องตกนรกเนี่ยถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลต่ำต้อยถูกดูหมินเนี่ยอันนี้เป็นโทษเลยนะโทษที่เกิดจากความโกรธเนี่ยความโกรธที่ไปทางด้านปิศุวาวาจาการกล่าววาจาส่อเสียดเนี่ยมันมีโทษย้อนกลับมากระตนเองที่เสียหายเยอะเลยถูกใส่ร้ายป้ายสีด้วยในเรื่องที่ไม่จริงไม่มีใครค้อหาสมาคมเป็นมิตรอย่างแท้จริง ไม่มีใครจงรักภักดีโดยใจบริสุทธิ์ทําให้บุคคลนั้น ต, ต้องกล่าวว่าจ่าส่อเสียดอยู่เสมอหรือหาเรื่องใส่ร้ายป้ายศีบุคคลอื่นเสมอเป็นอุปนิสัยติดตัวไปอีกเลยเนี่ยตัวเองก็ไม่รู้สาเหตุที่ทําไมว่าตัวเองต้องอยู่ด้วยความทุกข์ตลอดนี่ปีสุดน่ะสองทรยศคนเจ้าททสะมีใจปฏิทุสร้ายบุคคลอื่นเนี่ยย่ยอมแสดงอาการทรยศบุคคลผู้มีคุณนี่เป็นโทษเลยนะ หรือเป็นมิตฉสหายไม่อนุโมทนาในทรัพย์สมบัติหรือคุณความดีของบุคคลอื่นคนประเภทนี้จะไม่มีมุทิตามีความทะเยอทะยานให้ดีเหมือนบุคคลอื่นตีตัวเสมอตลอดเนี่ยนะยกตนข่มท่านเนี่ยกลุ่มบุคคลนี้ได้รับแต่ความทุกข์มีความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและในการต่อไปประการที่สมก็คือความทะลุมุทุก็คือว่ามุทะลุดุดัน คนที่มากในยโทษสานะมีใจหยาบกระด้างไม่อ่อนน้อมสแสดงอาการมุทะลุไร้เหตุผลขาดปัญญาในการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเนี่ยกระทาะไรสิ่งต่างๆก็ทำโดยพลรรการเคยเจอค น, เนเนคนประเภทนี้ไหมเนี่ยคนประเภทหนึ่งก็คือว่ากระทาความผิดร้ายแรงยากที่จะแก้ไขเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยประการที่สี่ก็คือฤิ์ยา ลิศยาก็อิจฉาลิศยาในทรัพย์สมบัติหรือคุณความดีของบุคคลอื่นเนี่ยนี่มาจากโทสะกติมาจากลําเอียงนี่แหละดำเนินความโกรธไม่ชอบใจแสดงความลิศยาบุคคลอื่นถึงแม้จะได้รับการอุปการะยังไงก็แล้วแต่แต่อัตยาสัยที่ลิศยาก็จะมีเต็มไปหมดเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็อิจฉาอิจฉาก็อย่างที่บอกก็ปราถนาลามกเนี่ยอิจฉาปะกะากตะบุคคลเนี่ยบุคคลผู้มี พูกตกอยู่ในอำนาจแห่งความอิจฉาปรารถนาลามกตกอยู่ในอำนาจความอยากย่อมหาบุคคลอื่นจงรักภักดีได้ยากด้วยบุคคลเหล่านี้ไม่กระทำตามย่อมเกิดความไม่พอใจและคาดพยาบาทด้วยปรารถนาไม่ไมแล้วก็ชิงดีชิงเด่นเป็นคนทะเยอทะยานไม่รู้อยากพอนะเนี่ยโทษของโทสะเนี่ย พยายามขวนขวายอยากให้ตนเองได้เกียรติยศได้ชื่อเสียงโดยทางที่ผิดแล้วก็ด่าทอปากร้ายนี่แล้วก็ข้อสุดท้ายคือพระ ร, รุศวษก็คือเป็นคนที่มีวาจาหยาบคายพูดจาใดๆก็จะหนักไปทางรู้สึกต้องพูดให้สะใจสุดๆเออถ้าไปถ้าเป็นาพาไปบินทบ่านี่จะเจอเยอะนีโยมที่มีนิสัยหยาบยาบเนี่ยก็จะนั่งคุยกันหยาบยาบ บางทีเราต้องไปยืนรออีกคนหนึ่งจะใส่บาตรในกลุ่มด้านข้างก็พูดหยาบคายกันเนี่ยเนี้ยเราเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดโทสะมีอะไรบ้างหนึ่งบุคคล น, นั้นเป็นผู้มีอัธยาศัยเป็นคนมักโกรธคนที่มีความมักโกรธอาฆาตพยาบาทจองเวรกับบุคคลอื่นและสัตว์วัตถุสิ่งของต่างๆเนี่ยอุปนิสัยก็กระทบกระทั่ง อะไรนิดหน่อยก็เกิดความโกรธงุดหงิดเป็นคนที่มองเห็นจุดด้อยได้เก่งมองอะไรก็เห็นแต่จุดที่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเขามองเห็นจุดดีๆไอ้นี่ไปมองแป๊บเดียวเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีคือมองจนเป็นนิสยัยเคยเห็นไหมเนี่ยเขาบอกโอ้โหเขาทำได้สวยเนะียมันไม่ไปมองถึงที่เขาทําสวยไป ม, มองจับผิด <c oughs> นี่เกิดโทสะ ง, ง่ายเป็นคนมีความคิดไม่สุ ข, ขุมรอบคอบเขาคิดหยาบ มีวิสัยทัศน์แคบแคบมีสติปัญญาตื้นเขินแล้วก็มีความคิดไม่สุ ข, ขุมรอบคอบคิดได้แต่แค่ตามองเห็นตามองเห็นแค่ไหนคิดได้แค่นั้นแนหะขาดวิจารณญาณขาดปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆสิ่งที่ประสบเคยเห็นอย่างละเอียดลึกซึ้งโดยเหตุโดยผลเนี่ยคิดไม่ถึงก็ทําให้เกิดความโกรธความเกลียดได้ง่ายความกลัวความอับอายความหงุดหงิดความลาคาญใจเนี่ยคิดได้ง่ายเพราะว่าตนเองคิดอะไรหยาบ เป็นคนมองอะไรได้ชั้นเดียวแล้วก็ถ้าเจาะเข้าไปก็เจาะแต่เรื่องที่ไม่ดี <c oughs> เป็นอย่างนี้ไหมประการต่อมาเป็นคนที่มีการศึกษาน้อยเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในชีวิตน้อยมีความรู้น้อยมีสติปัญญาตื้นเขินนั้นทำมเนี่ยถ้าศึกษาน้อยจยเป็นคนขี้โกนเลยนะย มันพอเราไปศึกษาแต่หัวข้อหัวข้อเขาไว้ก <laughs> <tim ing Romeo> ็เ <Arri> ห <ving pumpkin> ็นคนทาผิดศีลใช่ไหมเห็นคนไม่ให้ทานบ้างเป็นต้นเหล่านี้ไม่ใช่แตัวเ็ใหญ่มันนี่เป็นคนมีการศึกษาน้อยไม่รู้เหตุผลของสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงหลงไหลไปตามความคิดความเห็นผิดตามลัทธิ ความเชื่อทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นวิชาทิสติแล้วก็จะปล่อยใจไปตามกระแสของกิเลสและสังคมสังคมเป็นยังไงกิเลสเป็นยังไงก็ปล่อยไปตามกระแสด้วยเหตุนั้นทําให้เกิดความโกรธความเกลียดความกลัวความอับอายความหงุดหงิดลาคาญใจได้ง่ายขึ้นนี่การศึกษาน้อยอการศึกษาธรรมะน้อยเนี่ยเป็นเหตุให้คนเป็นคนขี้โกรธไหมรู้ไม่จริงเนี่ยเป็นบุคคลผู้ได้ประสบ อารมณ์อารมณ์ที่ไม่ดีเสมอไปที่ไหนก็เจอแต่สิ่งที่ไม่ดีอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ทําให้เกิดความหงุดหงิดําคาญใจเรื่องราวที่ทําให้เกิดความไม่พอใจหรือสถานการณ์ต่างๆไม่น่าไว้วางใจเนะี่ยเต็มไปด้วยความโกรธกลามาคาดพยาบามไม่เคยได้รับความสุขสบายเลยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเครื่องอุปโภคบริโภคมีแต่ของหยาบหยาบมีแต่ของซ้ำซามขัดสนเก็บกด มีปมด้อยในชีวิตเนี่ยพวกนี้คนขี้โกธอ่าไม่ว่าแะสถานที่ในบ้านก็ขัดสนที่นอนที่อยู่อาหารเครื่องนุ่งห่มยานี่ขัดสนหมดเลยแม้เพื่อนบ้านก็เป็นคนห ย, ยาบๆยบทั้งนั้นสิ่งแวดล้อมไม่ดีเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดโทสะได้ไงใช่ไหมม้เราจะเห็นสภาพสังคมที่ต่างกันสังคมที่มีอะไรเพียบพร้อม มีแต่สิ่งดีๆงามๆแวดล้อมคนนี้เขาจะไม่ค่อยโกรธเขาดูมื้อเป็นคนใจดีเป็นคนอ่อนโยนใช่ไหมที่ไหนได้เขาไม่ได้เหตุปัจจัยก็ไม่ได้เหตุปจัจจัยนะเนี่ยแต่ถ้าลองเปลี่ยนสังคมสิเปลี่ยนไอคน้คนคนนี้ที่ว่านิสัยดีเรียบร้อยอ่อนหวานเนี่ยเอาไปไว้ในสังคมเอ้าเอาไปไว้ในสลัมสองสามเดือนกันเนี่ยไอ้นี้จะเป็นคนขี้โกรธแล้วก็ แต่ะสมกับอาคาร์ตวัตถุดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเนะี่ยอาคาร์ตวัตถุก็คือการที่ว่าคนนี้เขาเคยไม่เคยทาเขาไม่ทำประโยชน์ให้กับเราไม่เคยทำประโยชน์แล้วก็จักไม่ทำประโยชน์เป็นตัวเราเนี่ยเนะี่ยอุบายในการที่จะละความโกรธความพยาบาทข้อแรกเลยนะ การแก้ไขนิสัยคนตนเองที่โกรธให้เบาบางให้หายไปต้องเป็นผู้ทําการศึกษาเรียนรู้วิธีการเจริญเมตตาภาวนาให้ดีๆเรียนทั้งขั้นต้นทากลางและที่สุดให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกขั้นตอนของเมตตาลักษณะของเมตตาเป็นยังไงกิจของเมตตาเป็นยังไงอาการของปรากฏอาการปรากฏของเมตตาเป็นยังไงเหตุใกล้ที่จะทำํำเมตตาเกิดขึ้นเป็นยังไง ปฏิปักษของเมตตาคืออะไรบุคคลที่ควรแผ่เมตตาตาเปิดเป็นตามลําดับเป็นยังไงเพื่อจะบรรเทาความโกรธงี้เปน็นต้นนะฮะประการที่2ก็คือเมตตาภาวนานุโยคฆะก็คือมันประกอบความเพียรในการเจริญเมตตาฝึกจิตให้ตั้งอยู่ในภพิหารนีเมตตาเสมอเสมอบุคคลต้องการแก้ไขนิสัยมักโกรธให้เบาบางลงก็ต้องมันเจริญเมตตาอยู่เสมอไม่ทอดทิ้งไม่ทําทําหยุดหยุดทําให้ต่อเนื่องคือเดินมักนั่นแหละ เดินเมตตาไม่ต้องไปกนวลทัืงโทรศัพท์ฝึกเรียนรู้แล้วก็ฝึกกระทําเลยแต่เนี่ยฝึกกระทําในการทําภาวนาทําให้เจริญขึ้นทําเมตตาให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นให้ติดต่อต่อเนื่องให้ติดต่อต่อเนื่องแล้วก็ใส่ใจตลอดเวลาเนเราเป็นคนขี้โกรธแล้วต่อไปเนี่ยพอฝึกอย่างเงี้ยโอ้เราไม่โกรธแล้วเราไม่โกรธแล้วใส่ใจอย่างเงี้ยนี่ข้านะข้าจะกลายเป็นคนไม่โกรธแล้วก็กรรมสกาตาปัจเจกขณะมันพิจารณาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน พิจารณากฎของกรรมเยอะๆมากๆเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นทีนรรน่พึ่งอาศัยใครทํากรรมใดไว้จะดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมโดยไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์หรือหยิบยื่นให้บุคคลอื่นรับแทนได้จะพิจารณาอย่างนี้เสมอๆปุ๊บความโกรธหายไหมเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงนี้ไปต้นปฏิสังขานะพระโหราตาก็เป็นผู้มากไว้ด้วยการพิจารณาโดยแยบคายด้วยนะ อย่าคิดหยาบหยาบคิดโดยแยบคายคิดแบบละเอียดคิดแบบสุ ข, ขมุมลุ่มลึกโทสะจะไม่เกิดนะมีจิตใจอยู่<ม>ก็คือว่ามันพิจารณาสภาวธรรมต่างๆในชีวิตประจําวันให้ประสบพบสิ่งของต่างๆก็คือสภาพสิ่งแวดลอ้อมสภาพสังคมสภาพบุคคลที่ประสบพบเห็นเนี่ยให้รู้เหตุรู้ผลทั้งหลายเจริญสติสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องจักไม่เกิดโทสะข้อที่5การยานวิตรตาก็เลือกครบ คนที่มีเมตตาจิตคนที่ไปอยู่แล้วมันรู้สึกใจเราสบายเนี่ยมันครบคนประเภทเนี้ยนะไม่ใช่ไปแล้วเราตัวรีบเงี้ยนะเไปหากะ ร, รยานามิตรที่มีใจเป็นเมตตาตลอดสปายะคถาก็คือกล่าวฟังเรื่องที่สปายะคือไปหาใครแล้วก็พูดเรื่องเมตตาให้ฟังเมตตาเป็นยังไงเมตตายาปิกเวเจโตมุติยาเสวิตายาภาวิตายาบุริก า, ายาเป็นต้นเออเมตตามื่อบุคคลเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้ว ทำให้ตั้งมั่นทำประดุดัางยานสั่งสมจัดเจนแล้วจะเป็นคนที่มีหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของมนุษย์ไปสตรายาพิษโลกร้ายไม่เบียดเบียนเป็นต้นเหล่านี้นะเนี่ยลักษณะอย่างนี้จะเป็นเหตุทําให้โทสะไม่ได้ไม่ได้อาหารโทสะไม่ได้อาหารนี่เป็นอย่างนี้ํามองเห็นหรือยังตัวเนี้ย ส่วนในพระสูตรมีหลายสูตรจะยังยังไม่ยกมาแลวเยอะจัดนะในพระสูตรที่ว่าโดยกาจัดความกโกรธยังไงเนี่ยนี่คือโทสัตนี่เป็นอากุศลมูลข้อที่สองอากุศลมูลข้อสุดท้ายคืออะไรนะโมหะโ ม, โมหะ ก็แปลว่าเป็นธรรมชาติที่มีความหลงไหลในอารมณ์เป็นสภาวธรรมที่มีสภาพหลงตามความเป็นจริงหลงในสภาพของรูปนามและหลงไหลในสภาพที่ไม่ใช่รูปนามด้วยเนะี่ยเป็นอกุศลผู้มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอุบายแยบคายแล้วก็จะสามารถกําหนดพิจารณาเรียนรู้สภาพธรรมที่เป็นโมหนะดูลักษณะดูวิเศษลักษณะพิเศษของโมหะดูเนะี่ยอันดับแรกก็คือว่า มีความมืดมนแห่งจิตเป็นลักษณะ <c oughs> มีคำวา่าจิตตัสสะอันทาภาวาล ะ, าะลัคนโนอัญญาณะลัคนโนมี่สองอันท่แปลว่ามืดบอดอัญญาณะก็คือมีความไม่รู้มีความมืดบอดเป็นลักษณะกับมีความไม่รู้เป็นลักษณะ <c oughs> มืดบอดกับคำไม่รู้มืดบอดนี่อย่างหนึ่งนะไม่รู้ก็อย่างหนึ่งมันคล้ายๆกันนี่แหละแต่เป็นศัพท์ที่มันใกล้เคียงกัน ลักษณะประจำตัวของโมหะก็ได้แก่ความมืดความบอดคือผู้ที่มีโมหะครอบงำเนี่ยย่อมไม่รู้หนทางที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างถูกต้องและเหมาะสมไม่รู้เลยนะว่าเรามาจากไหนทำอะไรและก็จะไปไหนต่อเป็นต้นเหล่เนี้ไม่รู้โมหะเนี่ยถ้าจะปิดอย่างเราเทั้งหลายก็คืออย่างเงี้ยมาจากไหนมาจากบานนี้ เหมือนกับที่ในเรื่องที่บอกว่าพระพุทธเจ้าถามใช่ไหมถามผู้หญิงยมผู้หญิงคนนึงถามว่าเธอมาจากไหนไม่ทราบเธอจะไปไหนก็ไม่ทราบเธอทราบหรือเธอไม่ทราบหรือทราบเธอไม่ทราบหรือไม่ทราบเนี่ยโอ้คนก็ น, นึกว่าเนี่ยไปเล่นลิ้นกับพระพุทธเจ้า แต่เธอตอบตามแนวธรรมะที่พระพุทธเจ้าถามว่าเธอมาจากไหนนี่เธอเป็นนางที่เป็นเป็นิดาของนายช่างหูเธอบอกว่าที่เธอตอบว่าเธอไม่ทราบว่าที่เธอมาสู่ภพนี้ไม่รู้มาจากพบไหนนี่โมหะมันกินอย่างนี้และเธอจะไปไหนก็ไม่รู้ตายจากอัตภาพนี้แล้วจะไปพบไหนต่อเธอไม่ทราบหรือเธอบอกว่าทราบ ทาบว่าจะต้องตายแน่แล้วก็เธอทราบหรือไม่ทราบไม่ทราบว่าจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้จะตายเวลากลางวันกลางคืนตอนเที่ยงตายด้วยโรคอะไรเนี่ยจะตายในยาบดยืนเดินนั่งนอนยังไงไม่ทราบที่ไม่ทราบตอบในลักษณะอินวินต์เนี่ยนะใช่ไหยนี่โมหะไหมโมหะกินพวกเราเป็นแบบนี้ไหมแม่งมาจากไหนมาจากวัดเทพศิรินทร แล้วจะไปไหนต่อเดี๋ยวก็จะกลับว่าเทวสิรินอันนี้มันเป็นมาจากไหนเนี่ยไม่รู้ไปพบก่อนโน้นที่จะมาเกิดเนี่ยเป็นมนุษย์กับเขาในพบเนี่ยไม่รู้มาจากสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตสัตกายมนุษย์หรือเทวดาไม่รู้แล้วจะไปไหนต่อจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกมนุษย์เทวดาสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่ทราบอีกเหมือนกันแล้วทราบไหมเธอไม่ทราบหรือว่าทราบทราบว่าจะต้องตายเธอไม่ทราบหรือบอกไม่ ไม่ทราบไม่ทราบอะไรว่าจะตายเวลาไหนไม่รู้เลยนี่เป็นต้นใช่ไหมนี่โมหะเป็นอย่างนี้คือว่าไม่รู้หนทางที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าถูกต้องและเหมาะสมยังไงก็ไม่รู้อย่างที่ผ่านมาโมหะเรากินขนาดหนักเลยนะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยไม่รู้จะเดินชีวิตยังไงไม่รู้จะดำเนินไปยังไงเนี่ยโมหะมันบอดอย่างเงี้ยมันมืดอย่างนี้แหละมันไม่รู้ เขาให้ไปทำอะไรก็ไปทำไปคุยเขาเออทานาก็อยากจะทำนาทำสวนก็อยากจะทำสวนอยากจะมีบ้านที่ฝันไว้ก็อยาก่ามาปลูกบ้านในดอยในเขาวพรางั้นอะอยากจะปลูกผักแปลงผักอยากจะเลี้ยงวัวอยากจะเลี้ยงควายอยากจะอะไรเยอะแยะหมดอยากจะทำอะไรต่างๆอย่างที่ทำขึ้นมานี่แหละ <laughs> จันทุกวันนี้แหละนี่มาจากความรู้หรือไม่รู้มายังไม่รู้ใช่ไหม พราะมันเป็นความฝันเป็นจินานาการอธิบายให้ลูกฟังจนลูกอ่อนยศ <c oughs> ยังเป็นความฝันของแม่ใช่ไหมแล้วก็บอกไปงั้นแม่อยากมีบ้านน้อยในป่าใหญ่ <c oughs> พอมาอยู่จริงๆเขามานั่งอยู่แป๊บเดียววิ่งไปแล้ววิ่งอยู่นั่นแหละมันไม่รู้นี่วิ่งไปก็วิ่งมาวิ่งไปก็วิ่งมาอยู่นั่นแหละจะนั่งเรือบินไปนั่งเรือบิน เดี๋ยวนี้เป็นชาวนาและเชื่นใจว่างั้นนะอยากเป็นจ้าเป็นทําไมไม่รู้โอ้โมหานี่แรงไหมก็อยากเป็นมันใฝฝันก็อยากจะเป็นก็เป็นมันก็หลายคนก็เลยใช่มีเจตจํานงอยากจะเป็นอยากจะเป็นทหารอยากจะเป็นตํารวจอยากจะเป็นพยาบาลอยากจะเป็นหมอ อยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยากจะเป็นกรรมกรอยากจะขับแท็กซี่รับจ้างอยากขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยากจะมีรถตู้อยากจะมีรถมอเตอร์ไซค์อยากจะมีรถยนต์อยากจะมีช็อปเปอร์คุยสารภาพหมดเลยทีนี้เราก็จะเห็นต่างๆกันไปนี่แหละแล้วไปเจาะมาจากความไม่รู้ทั้งนั้นนเนี่ยใช่ไหมก็มาจากเจตนาดีเจตนาอยากจะเป็นกันบางทีบางคนหนักๆเขาอยากเป็นโจรเลยเนี่ยสายการลักเลี้ยงชีพ ทีก็ถ้ามีอาวุธนะมีปืนเป็นที่เลี้ยงชีกรบกลุ่มทหารตำรวจก็ว่าไปเนี่ยมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้นี่คือความไม่รู้เนี่ยไม่รู้เรามาจากไหนทาอะไรจะไปไหนต่อไปเป็นต้นฉะนั้นการดำเนินชีวิตในปัจจุบันบางครั้งก็ถูกทางแต่ที่ปฏิบัติถูกนะนั้นไม่ใช่เพราะเห็นถูกต้องนะแต่เป็นการถูกต้องโดยบังเอิญ ก็ลยอุปมาเหมือนคนที่เดินทางไปในทางที่มืดเดินผิดทางเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเดินถูกทางไม่ใช่เพราะเห็นทางนะแต่เป็นเหตุบังเอิญ <c oughs> ที่ว่ามีความรู้มีความไม่รู้เป็นลักษณะก็หมายความว่าโมหะเวลาเกิดขึ้นกับบุคคลใดแล้วก็ทําให้บุคคลนั้นมีความไม่รู้มากขึ้นยิ่งหลงมากขึ้นยิ่งโง่มากขึ้นยิ่งมืดบอดมากขึ้น ดำเนินชีวิตแบบสเปะสปานี่แหละวะ่ากันเถอะไม่สามารถดําเนินไปตามมัชชิมาปฏิปทาได้เลยพิษเดี๋ยวก็เป็นการมัสุขัารินิโยกอาจเป็นอัตตะกิรมาฐานนยโยกนะเอียงไปทางด้านของหมกมุ่นในการมไปทางด้านของโทสะเครียดทรมานตนเองสุดตรงนะเดี๋ยวก็สุดตรงไปทางด้านของขาดศูนย์เดี๋ยวก็สุดตรงไปด้านเห็นว่าเที่ยงเดี๋ยวก็สุดตรงไปทางด้านเห็นว่ามีทุกอย่างมันมีหมดแหละพ่อแม่ปู่ตายายย บางทีก็สุดตรงไม่มีจริงหรอกมีย่เงี้ยสุดตรงไปย่งเงี้ยบางทก็สุดตรงไ่ด้านความคิดก็สุดตรงไปด้านไปเลยบางทีก็สุดตรงทั้งด้านวัตถุบางทีก็สุดตรงไปด้านจิตใจบางทีก็สุดตรงไปด้านรูปแบบบางคนก็สุดตรงแต่เอาแต่สาระอะไรงี้มันจะสุดตรงมันอยู่เงี้ยไม่รู้โมหังกินเคยเห็นไหมเมงบางคนก็สุดตรงเอาแต่รูปแบบอยู่นั่นแหละโอ้โหต้องเป็นระเบียบเป๊ะเ ป, เ ป, เ ป, เ ป, เป๊ะสาระไม่ได้บางคนไม่เอาเลยนะระเบียบเนี่ยไม่เอาแล้ว เอาสาระอย่างเดียวบางคนก็สุดตรงไปด้านพิธีกรรมบางคนก็สุดตรงไปทั้งด้านของสาระโอยสุดตรงกันหมดเลยในนี้เป็นอย่างเนี้ยน่ากลัวไหมนีโมหะเป็นอย่างนี้นาาน อ, านอารมณพนะสภาวะฉาทนาลัโสวาอปฏิเวทนละลัโศก็มีการปิดสภาวะของอารมณ์ไว้เป็นกิจหมายความว่าเวลาโมหะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เห็นสภาพตามความเป็นจริงของอารมณ์เลย มันไม่เห็นไม่เห็นความความเป็นสักแต่ว่ารูปอารมณ์เป็นต้นเหล่านี้แต่เห็นด้วยความเป็นของเที่ยงเป็นของสุขเป็นตัวตนสวยงามเป็นต้นเหล่าเนี้เนี่ยโมหะเวลาเกิดขึ้นมันมันปิดให้ไม่รู้ไม่เห็นความจริงของสภาวธรรมเลยติดสมมุติหมดเลยแล้วเวลาอยู่ในสมมุติหลงสมมติอีกเนี่ยโมหะขนาดนั้นเนี่ยมันปิดหมดเลยหลงสมมุติเคยเป็นไหม แล้วก็อันท่าการะปัจจุปทานโนแล้วก็ อ, อาัมมาปฏิปจัตปฏิปจุปทานโนมีการทาให้สัมวิจธรรมและบุคคลที่มีโมหะ oh อยู่นั้นมีความมืดมนขาดปัญญาที่จะคิดหาเหตุผลเปน็นอาการปรากฏก็ ค, คือตอนเองหลงไม่พอทำให้จิตใจที่เกิดร่วมกับโมหะหลงไปด้วยมันหลงไปด้วยเวลาถูกโมห oh ะครอบงำปุ๊บ เวลาจะทําสิ่งต่างๆทั้งหลายก็ไม่รู้จุดหมายในการทําอย่างชัดเจนรู้ไม่ละเอียดรู้ไม่ลึกซึ้งใช่ไหมก็ทําไปสักแต่ว่าทําตามๆกันไปเนี่ยอะไรเป็นเหตุใกล้ของโมหะการทําไว้ในใจโดยไม่แยกข่ายความไม่ฉลาดคิดคิดไม่ถูกทางไม่ไม่ถูกวิธีไม่ถูกอุบายการคิดไม่เป็นเนี่ยการนี่แหละการคิดผิดนี่แหละเช่นมนุิยการในของที่มัน ไม่เที่ยงว่ามันเที่ยงมาน pues สิการในของที่มันเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเป็นมานสิการสิ่งของที่มันไม่ใช่อัตตาตัวตนว่าเป็นอัตตาตัว ต, วตนเป็นมาน pues สิการสิ่งของที่มันไม่ดีจริงว่ามันดีว่ามันไม่งามมันไม่งามว่าผิดงามเนี่ยอาการมานสิการอย่างนี้แหละเป็นเหตุใกล้ของโมหะเนะี่ยนะถ้าเป็นคนที่มีโมหะมากเนี่ยจะถึงว่าไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์ นี่นีโมหะจัดเลยแยกไม่ออกอ่ะสุดจริตเป็นยังไงทุตจริญยังไงดีช่วยยังไงเคยเห็นไหมคนเพชนเนี้ยเคยเห็นไหมแยกไม่ออกเนี่ยวิชาเนี่ยโมหะทีนี้ตัวโมหะเนี่ยมันจะมีว่าไม่รู้ในทุกขไม่รู้ทุกไม่รู้ตัวสภาพของกระแสชีวิตเป็นทุก ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้อวิชชาตันหาบาทานทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไอจุดหมายอ่ก็ไม่รู้วิธีการหรือปฏิบัติทาข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์นี่นี่ไม่รู้จริงๆเลยเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยก็คื อ, คอไม่รู้ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้หลักของปัจจัยาการในการที่ดําเนินไปนี่แหละตามเหตุและผลยังไงเป็นต้นเหล่านี้นี่คือโมหะ เหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดโมหะมีสองประการนะหนึ่งความไม่ฉลาดคิดคือเรียกอโยนิโสมนสิกานคิดโดยไม่แยบคายคิดไม่ถูกวิธีคิดไม่ถูกทางเนี่ยสองก็คืออาสวัสดงปาโทก็คือการเกิดขึ้นของอาสวะก็คือความหลงเกิดขึ้นเนี่ยความมืดบอดเกิดขึ้นตัวเนี้ยถ้าเหตุเกิดของอโยนิโสมนสิการมีอะไรบ้างอะอะไรทําให้เราเป็นคนที่ไม่สามารถได้ ให้อาหารของปัญญาเป็นต้นได้เนี่ยมาจากอะไรไม่ได้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับปัญญาไว้ในปางก่อนไม่ได้ไม่ได้เพาะเมล็ดพืชพันธุ์ของปัญญาไว้นในในการก่อนเป็นบุคคลที่ไม่ต้องการไม่ค่อยใช้ความรู้ไม่ค่อยพิจารณาเหตุและผลอยู่ในถิ่นที่ไม่เหมาะสมพอสร้างเหตุผิดก็เลยมาอยู่ในถิ่นที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ครบคนไม่ฉลาดไม่ครบสัตว์บูรุษ แล้วก็ฟังแต่สิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดปัญญาฟังแต่เรื่องที่เกิดเกิดโมหะแล้วก็ตั้งตนด้วยผิดอย่างนี้เป็นตนน้นนะนะเอาลักษณะของคนที่หนักหนักในโมหะจริตเลยนะเจดประการหนึ่งทีนะเป็นคนหดหูจิตใจจะหดหูไม่ค่อยสดใสไม่อาหารไม่ล่าเริงมีการง่วงซึมนอนมาก คนนอนมากมักเคิมทำอะไรก็มักจะเคิเคมๆริบับอยู่จะบอกข้อแรกเลยเนะี่ยโมหะจะเกิดนะเป็นไหม ย, <c oughs> ยังเป็นอยู่เนะี่ยเป็นไหมสองมิตรทางเมื่อกี้ทีนังเนี่ยซึมเป็นคนเซ็งอะไรไมาง่ายเสื้องอืดอาดยืดยาดไม่สดชื่นไม่กระปรี้กระเป่าไม่คล่องแคล่วไม่ว่องไว ขาดความพร้อมในการทํางานทุกอย่างขาดความกระตือ ร, รือร้นไม่ค่อยขวนขวายไม่ค่อยริเริ่มในการกระทําด้วยตนเองต้องอาศัยการกระตุ้นจากบุคคลอื่นตลอดเป็นไหมสองตัวไม่มีนะอุดแัดจังปงซ่ <MX> านเจอจนได้ป <citizenship> งซ่านก็คือมักคิดเลื่อนลอยเป็นเรื่องต่า ง, างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการงานซึ่งตนกระทําอยู่ในขณะ น, นั้น ไม่เกี่ยวพอจะทําตรงนี้ปั๊บมันเลื่อนลอยไปแล้วมักไม่ค่อยรู้สึกตัวในการทํางานไม่ค่อยใส่ใจในการทํางานทําสักแต่ว่าพอทําให้ผ่า น, ผ, านผ่านไปแล้วก็โดยไม่คํานึงถึงว่าจะสะอาดเรียบร้อยในการเนี่ยไม่คํานึงถึงผลของงานเนี่ยไม่หวังพัฒนาฝึกขัดฝึกผลพัฒนาตนเองอะไรเลยมันทําแบบเลื่อนลอยเคยเห็นคนประเภทนี้ไหมเราเป็นไหม อ, อกาการต่อมาคือวิจิกิจฉาเป็นคนที่มักเครืองแแปงสงสัยในเรื่องต่างๆที่ไม่ควรสงสยัยเรื่องที่ไม่ควรสงสยัย well, สงสย Moi, ัยที่จังเลยนายเป็นไหมเพราะอะไรเพราะมาจากฟุ้งซ่านนี่แหละพอฟุ้งปุ๊บมันก็สงสัย โดยไม่เอาใจใส่ในการงานที่ทำอยู่เหมือนกันถูกกระแสความคิดให้สับสนแล้วกเกิดสงสัยสงสัยในเรื่องที่ไม่สงสัยเขาบอกว่าบางทีคิดในเรื่องที่ไม่ควรคิดเขาบอกว่าไส้เดือนเนี่ยเวลามันจะกินดินเนี่ยมันค่อยๆกินค่อยกินมันคิดตลอดว่ากลัวแผ่นดินจะหมดนอ้ไม่คิดเงี้ยหนะึมันก็เลยไม่กล้ากินเยอะ ก็ในคำพีเขาว่าเงินน่รงงสแล้วมีนกประเภทหนึ่งเวลาจะนอนเนี่ยมันจะมันจะหงายท้องแล้วก็เอาเอาขาชี้มันคิดว่าจะฟ้าถล่มลงมามันจะได้รับทัน แล้วก็มีนกประเภทหนึ่งก็เรียกว่าเป็นนกไนกตัวสูงสูงที่หาปลามันจะค่อ ย, ยอค่อย่องค่อยค่อยย่องเพราะมันสําคัญตัวมันใหญ่มากมันกลัวแผ่นดินจะรองรับตัวมันไม่ไหวกลัวแผ่นดินถลม่มมันเลยค่อ ย, ยอค่อยย่องคนค น, คนที่คนที่วิจิ ก, กิจฉาจะมีลักษณะอย่างนี้มันคิดมันคิดไม่ออกใช่ไหมมันก็เลยเอาความเข้าใจของตัวเองก็เลยทําตามความรู้ความเข้าใจของตัวเอง สัตว์ประเภทเนี้ว่าวิจิตรฉามีกำลังตายแล้วก็จะไปเกิดเป็นสัตว์กลุ่มนี้แหละเป็นไสเดือนบ้างเป็นนกอะไรเนี่ยว่าก็เป็นเป็นนกที่มันค่อยๆเดินค่อยๆเดินมันสงสัยเพราะมันเป็นคนมากด้วยวิจิตรฉานี่ก็เป็นงโมหะมีกําลังก็เลยตายแล้วก็เป็นกลุ่มพวกสัตว์เดรัจฉานนี่ยสงสัยจัง ทำให้เกิด ส, สับสนสงสยัยในสิ่งว่าเป็นไปได้หรืออะไรต่างๆนักเข้านักเข้าก็สงสัยในพัทธ์พระพุทธเจ้าด้วยเนี่ยมีจริงหรือว่างั้นนัน้ต่อไปโอ้ไม่น่าจะมีจริงใครจะเป็นได้ขนาดนั้นโอ้ยิ่งเนี่ยเอย้พระธรรมเนี่ยจะสามารถทําให้เราพ้นทุกข์ได้จริงหรือว่างั้นก็เห็นแต่ละคนก็ไม่เห็นพ้นทุกข์อะไกันมีจริงหรือพระอาหารหันต์สงสัยไปไงขนาดนี้หรือยังสงสัยอย่างนี้หรือยัง เดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วก็อาธานักขาิตาก็คือเป็นคนที่มักถือมั่นในสิ่งที่ยึดอยู่เป็นคนงมงายไละเหตุผลยึดถือในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแกนสารว่ามีสาระแกนสารยึดถือในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์หลงงมงายในสิ่งที่ไม่มีสาระยากที่จะละขายได้คือไปยึดถือซะแนละ้วเนี่ยคนบางคนไปยึดถือเลยนะยึดถือสิ่งที่มันไม่ใช่สาระ เลยเช่นบางคนนี่ไปมีกติกมีข้อกติฐฐกาตดยเดงยึดถือเนี่ยว่าเนี่ยตื่นขึ้นมาจะมีปกติตื่นขึ้นมาจะต้องทําอะไรก่อนก็จะทําอย่างนั้นแหละยึดเป็นสาระเลยบางท่านเถเช่นว่าถ้ามานั่งก่อนจะต้องจีบวายก่อนสมมตินเงี้ยนะเขาจีบอย่างนั้นแหละไม่ใช่สาระอะไรหรอกแล้วก็มีความยึดเราเห็นผิดแบบงมงายว่าเนี่ยมันจะทําให้อายุยืน มันมีเยอะนะเอกกรณีที่ยึดถือสิ่งที่มันไม่เป็นสาระเนะมมี่ยแกเห็นไหมบางทีก็พอเครีดคยดๆหน่อยแล้วมีมีสาระว่าถ้าสูบบุหรี่แล้วมันจะหายเครียดถ้าฟังเพลงแล้วมันจะหายเครียดยเงี้ยยึดถือพวกนี้เนี้ยหรือถ้าไปเดินเล่นแล้วมันจะดีขึ้นเนี่ยมันก็ยึดถือสิ่งที่ไม่เป็นสาระถ้าดื่มน้ำอันี้ที่จะดีว่าจะยึดถือสิ่งที่มันไม่ใช่สาระของชีวิต ว่าเป็นสีละสาระสมาที่สาระปัญญาสาระอะไรหรอกแต่ไปเข้าใจมันเป็นสาระของชีวิตไปแล้วเคยเจอไหมคนแบบนี้ทุ ป, ปตินิสักคิตาก็คือเป็นคนที่สละสิ่งที่ยึดถือได้ยากเช่นบางคนจะต้องเ อ, อชอบดูสารคดีดูเป็นสาระของชีวิตมากในดูสัตว์ บ่าได้ดูการต่อสู้ได้ดูอะไทั้งหลายเหล่า น, นี้มันเป็นสาระของชีวิตเลยว่าไงแ้่เป็นคนชอบจนเป็นโทนนิสัยของคนคนนี้ใครๆก็รู้เลยคนคนนี้มีอย่างเงี้ยบางคนก็ชอบร้องเพลงเป็นสาระของชีวิตเลย <c oughs> บางคนก็ทงวาดรูปอะไรก็เลยวาดรู้สึกว่าเมรนเพราะวาดแล้วมันผ่อนคลายอย่างเงี้ยน่ะนะอย่างเงี้ย นี่ก็คือกลมเนี้จะเป็นกลมที่ในชีวิตประจำวันก็จะมีชีวิตอยู่ในโลกแห่งความฝันที่เลื่อนลอยฝันจินตนาการตัวเองบางคนก็ปล่อยหนวดเข้าเฟิร์จินตนาการเพิฟเนี่ยเพิฝันตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละลก็กระ็จมปากอยู่กับความคิดอันไม่แยบคายจนยากที่จะคลายให้บรรเทาความคิดเหล่านั้นเป็นไม่เป็นเลย เคเห็นไหมคนประเภท น, นี้เนี่ยลักษณะที่จะทำให้เกิดโมหะหลงบางคนเนี่ยไปอยู่ในป่าเป็นสิบสิบยี่สิบปีเลยนะชอบดูนกบางคนก็ชอบศึกษาต้นไม้อยู่อย่างนั้นแหละกลายเป็นคนที่ไม่ไม่อยากอยู่กับสังคมไปเลยบางงั้นเดนี่เป็นอย่างนี้พระบางองค์ก็เป็น ไม่ไม่อพี่อะไรมากก็ไปชอบอยู่อย่างนั้นเลยไปดูจริงๆก็ไม่ค่อยทําอะไรเราบอกไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นแต่ภาชนาต่อไปผมไม่ชอบอยู่อย่างนั้นแหละถักบาตรบางนีโอ้ยเรื่องบาตรนี่ขยันยังถักบาตรบางจีวรบางอะไรบางอยู่อย่างนั้นเลยวันๆไม่ได้ศึกษาเราเรียนพูดปฏิบัติอะไรเรามีความสุขของตนเองอยู่อย่างนั้นไม่อยากคุยกับใครไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากสอนธรรมะไม่อะไรทั้งนั้นเห็นเป็นสาระไปซะแล้วนี่กลุ่มนักบวชก็เป็นนะ ทีนี้ผู้ที่จะสามารถทำลายอาวิชชาหรือโมหะได้จะทำยังไงหนึ่งสมาปฏิกุศลตกกุศโลก็ฉลาดในการเข้าสมาธิบุคคลที่มีปัญญาเป็นคนฉลาดในสภาวะธรรมนะซึ่งเป็นสภาวะความสงบต้องรู้เท่าทันสภาวะองความสงบนั้นไม่ติดอยู่กับความสุขแห่งการเข้าสมาธิฉลาดด้วยบางคนเวลาไปได้สมาธิกลายเป็นสมาธิกล่อม เหมือนกินยากล่อมประสาทคืองดหิดมากอยู่กับข้างนอกเนี่ยแต่ถ้าได้ไปนั่งสงบแล้วมีความสุขงั้นจะเป็นคนไม่อยากเดี่ยวข้องกับผู้คนเคยเจอคนเวทนี่ไหมนั่งสงบไม่อยากยุ่งกับใครทั้งนั้นถ้ามีใครมายุ่งตาขวางเลยนะฉันอยากอยู่สงบของฉันนี่นี่ไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิกายมันติดในสมาธิอีกแต่เนี่ยนะโมหะกินอีก แทนที่จะเอาสมาธิเป็นบาตรฐานในการเดินปัญญาญานในการที่จะละโมหะแต่กลับกลายเป็นพออยู่ในสมาธิติดในความสุขติดในสมาธิไปเสร็จก็ลหลงก็เลยมัวเมาอยู่กับสมาธินั้นกลายเป็นสมาธิกล่อมไปแลัที่หรือศีลชีพายทั้งหลายเต็มไปหมดเล ย, ดยเดี๋ยวนี้เวลาพุทธศาสนาไมาอุบัติเกิดขึ้นเนี่ยจะมีสมาธิกล่อมเต็มไปหมดเออตรงนี้โดยมากเราก็จะถูกสอนกันไปตรงเนี้เต็มไปหมดนั่นนะบางกลุ่มพอ เรียนนี้ก็สุดตรงไม่ยอมทําสมาธิอีกคีนี้ต้องระวังอีกโอ้ยเลยกลายว่าไม่เอาไม่เอาสมาธิจริงๆไม่ใช่ต้องเอาแต่ต้องฉลาดใช่ไหมฉลาดในการเข้าสมาธิฉลาดในการฝึกสมาธิฉลาดในการเจริญสมาธิไม่ใช่เจริญสมาธิเพื่อไปยึดติดกับสมาธิไปมีความสุขตรงนั้นก็เป็นการสมิธมาที่กล่อมไม่ใช่เป็นความสงบเย็นอย่างถาวรมันมีความเปลี่ยนแปลงได้ต้องรู้เท่าทันด้วยต้องเอาสมาธิเป็นฐานในการพัฒนาวิปัสสนาญาณ สมาธิพิกเวบาเวถาสมาตัวยะถาภูตังปชานาตินั้นหมายถึงปฐมฌานทุติยฌานเป็นต้นเหล่านี้หรือสมาธิเป็นฐานของการเดินวิปัสสนาปัญญาเพื่อจะใหรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่ไม่ใช่ไปกล่อมแล้วมีความสุขแค่นั้นมันติดอยู่แค่ตรงนั้นนั่นเป็นการติดอยู่ไม่พัฒนาต่อ 2. ทีติกุกสโลก็คือฉลาดในการตั้งอยู่ของสมาธิด้วยคนมีปัญญาสามารถที่จะดํารงอยู่ในสมาธิหรือเข้าสมาธิได้ตามที่กําหนด พอได้ฝึกฝนมาอย่างดีนะก็คือเกิดความชํานาญเราจะตั้งอยู่เท่าไหร่เท่าไหรอย่างงี้แม้แต่จะออกก็ไม่เสียดายในสมาธิบางคนเสียดายเลยนะเหมือนคนหลับแล้วชอบหลับอะ่ะพอได้นอนหตนเองตั้งไว้แปดชั่วโมงพอไม่ได้แปดชั่วโมงงดงิดเขาเดินอยู่ตลอดเลยเนี่ยนเะพราะตอนเองไปตั้งยึดถือว่าต้องแปดชั่วโมงนั <c oughs> ่นเหมือนคนเข้าสมาบัตรเข้าสมาธิก็เป็นอย่างนี้นะติดเหมือนกัน อะไรติดหมดเลยถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับมันโดยไม่ฉลาดวัฏฐานกุสโลก็ฉลาดในการออกจากสมาธิบางคนที่ถัดชำนาญด้วยวาสีเวลาออกก็ฉลาดมากโดยไม่ติดขัดบางคนเนี่ยเหมือนคนตื่นนอนเนี่ยไม่อยากตื่นอยู่งั้นแหละไม่อยากตื่นไม่อยากตื่นไม่อยากตื่นงดงิดในการที่จะตื่นออกมาแต่คนที่เขาฉลาดแล้วเนี่ยเขากำหนดได้จะออกเมื่อไหร่ก็ได้ อยากออกเมื่อไรก็ได้กำหนดได้เลยว่างั้นมีเหตุจำเป็นที่สำคัญออกได้ตลอดแล้วก็ไม่ออกมาเปอะไรอวร์มันด้วยไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็วุฒฐานะกุศโลก็คือฉลาดในการออกแล้วก็กัละยาการละตากุศโลก็ฉลาดในการพร้อมมูลก็คือหมายว่าเป็นผู้มีความรอบรู้ในองค์ประกอบของสมาธิรวมทั้งเหตุแห่งความเศร้าหมองและความผ่องแผ้ว ว่าเออถ้าทำแบบนี้จะเศร้าหมองกิเลส ต, ตัวนี้เป็นมาเป็นเหตุถึงความเศร้าหมองของสมาธิถ้าทําอย่างนี้จะเป็นเหตุถึงความผ่องแผ้วเนี่ยนะีกลุ่มนี้วรเเลยนะโคจะระกุสโรก็ฉลาดในอารมณ์ของสมาธิโอนโหนี่ฉลาดมากเลยนะี่รู้ว่าเราจะเอาอะไรเป็นอารมณ์เอาอะไรเป็นนิมิตเอาอะไรเป็นเครื่องหมายในการที่จะเดินจิตที่ให้เข้าถึงสมาธิเช่นจะเอาพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณ เอาสีลานุสติจาคานุสติอุปสม า, านุสติเทวตานุสติมรณ า, านุสติอาณาปณาะาสติเนี่ยนะฉลาดในการที่จะโยกอารมณ์ได้คือคือฝึกมาหมดแล้วเวลานี้เหมาะแก่การที่จะอยู่ในคุณของพระเจ้าก็เลลึกคุณของพระเจ้าเช่นเวลานี้อยู่ที่ใต้ใ ต, ต้นวสีมหาโพเวลานี้อยู่ที่พุทธเจดีเวลานี้อยู่ที่ที่อุเทศิกเจดีทั้งหลายนี้ก็เลือลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณว่าไปแต่ถ้าออกเขตตรงนั้นปุ๊บ มีเมตตากรรมฐานอะไรก็ว่าไปนี่นะคือฉลาดในการที่จะบริหารสมาธิฉลาดในการบริหารสมาธิก็หมายความว่าหนทางย่อมรู้ในพิิจารว่าการเจริญฌานด้วยอารมณ์อะไรทําให้เกิดฤทธิ์จเจริญสมาธิประเภทไหนที่จะต่อยอดให้เข้าถึงวิปัสสนาปัญญายังไงเนี่ยฉลาดในการในในใ น, ในการเดินอันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือกําจัด สรุปตรงนี้ในเรื่องของตัวสัมมาทิฐิสัมมาทิฐิที่เป็นที่เป็นตัวในสัมมาทิฏฐิสูตรเนี่ยที่ความเห็นถูกต้องนี่นะสัมมาทิฐิเนี่ยมีทั้งโลกียะสัมมาทิฐิแล้วก็โลกุตระสัมมาทิฐิใช่ไหม โลกียะโลกุตละไอตัวสัมมาทิฏฐินี้เป็นแกนนำในพะพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้เห็นการแสดงบทบาทของสัมมาทิฏฐิว่าเป็นแกนนําที่ทําให้การเกิดและการความรู้จักของทิฏฐิอื่นพุทธเจ้าบอกว่าบรรดาองค์มรรคเหล่านั้นสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนําสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนําอย่างไรด้วยสัมมาทิฏฐินีสัมมาทิฏฐิ รู้ชัดสัมมาทิฏฐิรู้ชัดมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้สัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักสัมมาสังกัปปว่าเป็นสัมมาสังกัปปรู้จักมิจฉาสังกัปปว่าเป็นมิจฉาสังกัปปรู้จักรู้ชัดมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจามิจฉากามมันตาว่าเป็นสัมมามิจฉากามมันตากามมันตาก็รู้ว่าสัมมากามมันต์ รู้ชัดมิจฉาอาชีวะสัมมาอาชีวะรู้ชัดมิจฉาวายมะสัมมาวายมะรู้ชัดมิจฉาสติสัมมาสติรู้ชัดมิจฉาสิมิจาสมาธิแล้วก็สัมมาสมาธิเป็นต้นเหล่นี้ลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าสัมมาทิฐิเป็นแกนนําเป็นตัวเข้าไปเจาะรู้ความรู้ของเธอจึงจะเป็นสัมมาทิฐิอย่างนี้เป็นในมหาจัตตารีสกัสูดังนั้นสัมมาทิฐิจึงกลายเป็นตัวนําเป็นหัวหน้า พระเจ้าเปรียบเทียบไม่เห็นแสดงบทบาทของสัมมาทิฏฐิว่าเป็นหัวหน้าของมรรคอื่นๆบอกสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าอย่างไรเมื่อสมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจึงมีเมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาสังกัปปะจึงมีจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวจจะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาวจจะสัมมากามตาจึงพอเหมาะได้ เมื่อมีสัมมากรรมมันตัสมาชีวะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาชีวะสมมาวยามะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาวายมะสมมาสติจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสติสมมาสมาธิจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสมาธิสมายานะคือความรู้ที่ถูกต้องจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมายานะสัมมามุตติคือความหลุดพ้นจึงพอเหมาะได้โดยในนี้แหละพระเสขผู้ประกอบไปด้วยกําลังศึกษาจึงกลายเป็นพระอรหันต์ผู้ประกอบไปด้วยอเสขเป็นไปด้วยการอย่างนี้ เห็นไหมว่ากรณีอย่างการที่สมาธิฏฐิเป็นต้นเป็นตัวนําเป็นอย่างนี้ทีนี้ไอตัวสมาธิฏฐิเป็นนายสารถีเลยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเปรียบชีวิตของมนุษย์เหมือนกับรถที่กําลังแล่นไปอยู่ชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นองค์ประกอบเป็นตัวรถก็เป็นเพนส่วนที่ช่วยทําให้เป็นรถที่สมบูรณ์เท่านั้นแต่รถคันนั้นจะไม่มีประโยชน์หากจอดทิ้งไว้เฉยๆแล้ววิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางไม่ได้ ถ้าไม่มีคนขับที่ชาญฉลาดนั้นสัมมาทิฏฐิจึงเหมือนกับ น, นายสารถีผู้รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดีพระพุทธเจ้าบอกว่าทางนั้นชื่อว่าทางตรงทิศนั้นชื่อว่าไม่มีภัยรถนั้นชื่อว่าไม่มีเสียงดังประกอบด้วยล้อคือทำมีหิริเป็นฝ่ามีสติเป็นเกาะกัน้นทำมรถนั้นเราบอกได้ว่ามีสัมมาทิฏฐิเป็นนายสารถี อันนี้ก็บ่งบอกว่าเากระแสชีวิตเนี่ยถ้ามีตัวสมาธิฏิเป็นตัวนําแล้วก็ชัดเลยใช่ไหมก็ชัดเลยเนี่ย น, นี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้ทีนี้ตัวสมาธิฏฐิเนี่ยถ้าเรามองมองตามคําสอนที่บอกว่าโลกียะสมาธิฏฐิโลกียะสมาธิฏฐิก็หมายถึงว่าความเห็นชอบในระดับโลกีเนี่ยอย่างเราที่พยายามฝึกกรรมสักตาสมาธิฏฐิปัญญาที่ไปรู้ในเรื่องของรู้ชัดกรรม รู้ชัดอกุศลและกรรมรู้ชัดอกุศลรู้ชัดรากเงาของอกุศลแล้วก็รู้ชัดกุศลแล้วก็รากเงาของอกุศลหรือก็รากเงาของกุศลอย่างนี้เป็นต้นเมื่อสักครู่ที่พูดถึงในเรื่องของตัวเรื่องเมื่อเช้านี่มั้งที่พูดถึงในเรื่องของตัวเจตนานี่แหละพอพูดถึงเรื่องเจตนาก็เลยมาพูดถึงในเรื่องของตัว ต, ตัวกรรมบทอกุศลกรรมบทใช่ไหมที่ว่าเมื่อเช้านี่ยความเห็นผิดแล้วก็มาพูดถึงรากเง้าของของอกุศลทีนี้พอมาดูกุศลกรรมบทบ้างพุทธเจ้าดูก่อนพราหมข้าราชารบดีทั้งหลายนี่ความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติทางกายสามอย่างทางวาจาสามอย่างทางใจสามอย่างดูก่อนพราหมข้าราชารบดีทั้งหลายความประพฤติเรียบร้อยความประพฤติ ทางกายสามอย่างเป็นเช่นไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทะวางสัตตราเสียแล้วมีความละอายมีความเอ็นดูมีกรุณาหวังประโยชน์เกือ้อกูลแกสัตว์ทั้งหลายอยู่ข้อนี้เรามีไหมข้อนี้มีไหมเราเรามีข้อนี้ไหมเราละการฆ่าสัตว์ไหมละไม่ละ เว้นค่าจากการฆ่าไหมหรือยังมีค่าอยู่เว้นหรือไม่เว้นวางสัตว์าวางอาวุธ <c oughs> มีความละอายไหมมีฤทธิ์อัตตาไหมมีกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลเห็นสัตว์ทั้งหลายกรุณาเกิดเลยเป็นไหมเห็นไหมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ละฆ่าอย่างเดียวใจต้องมีกรุณาเ อ, อื้อเอ็นดูแกสัตว์ทั้งหลายอยู่ดูมีไม่มีจเจริญแบบนี้ไหม ถ้าเจริญอย่างนี้ก็เรียกเจริญกุศลละการถือเอาทรัพย์ที่เขาไม่ได้ให้เว้นขาดจากการรักไม่ลักทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของบุคคลอื่นที่อยู่ในบ้านเลี้ย อ, อยู่ในป่าที่เจ้าของไม่ได้ให้ซึ่งนับว่าเป็นเป็นขโมยนั้นเสียได้ล้าได้ไหมใจหวังเกื้อกูในคนทั้งหลายมากเลยทรัพย์ละการประพฤติผิดในกรรมเว้นขาดจากการประพฤติผิดในการมทั้งหลายไม่ถึงความสมสู่ ในหญิงที่มีมารดาบิดารักษาเป็นต้นเหล่านี้ดูยหญิงที่เขามั่นไว้ดูก่อนพรามข้าวบดีทั้งหลายความประพฤติเรียบร้อยความประพฤติ ท, ทางกายสามอย่างเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้ทางวาจาแหละประพฤติเรียบร้อยดีไหมละการพูดเท็จไหมเว้นขาดจากการพูดเท็จอยู่ในที่ประชุมอยู่ในหมู่ชนก็ดีอยู่ในถ้กลางญาติก็ดีถ้ากลางขุนนางก็ดีถ้ากลางราชสกูลก็ดี ถูกเข้าเป็นปัญญาญถูกกระถามว่าบุรุษผู้เจริญเชิญเถิดท่านรู้สิ่งใดจงบอกสิ่งนั้นเขาไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้เขารู้ก็บอกว่ารู้เขาไม่เห็นก็บอกไม่เห็นเขาเห็นก็บอกว่าเห็นเราเป็นคนอย่างนั้นจริงๆไมเห็นไละวาจาสอดเสียดเว้นข้าจาชการส่อเสียดได้ฟังข้างโน้นแล้วนําไปบอกข้างโน้นเพื่อทําลายข้างนี้นะไม่ทำหรือได้ฟังข้างโน้นแล้วไม่นํามาบอกข้างนี้เพื่อทําลายอีกฝั่งโน้นก็ไม่มีคิด เป็นคนที่สมานพวกที่แตกกันให้ดีกันเป็นไหมส่งเสริมคนที่ดีดีกันให้สนิทสนมกันชอบใจพวกที่เขาพร้อมเพียงกันยินดีในพวกที่เขาพร้อมเพียงชื่นชมพวกที่พร้อมเพียงกันและกล่าววาจาอันทําให้คนพร้อมเพียงกันเราสมาทานเราฝึกตลอดไหมข้อเนี้ฝึกนะละวาจาหยาบ กล่าววาจาที่ไม่มีโทษวาจาที่ไพเลาะหูวาจาที่ชวนให้รักใคร่กันวาจาที่จับใจวาจาที่เป็นคำของชาวเมืองวาจาที่คนส่วนมากรักใคร่ชอบใจเป็นคนอย่างนี้ไหมละการพูดเพ้อเจ้อเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อพูดในเวลาที่ควรพูดตามความเป็นจริงพูดเรื่องที่เป็นประโยชน์พูดเรื่องที่เป็นธรรมะที่เป็นวินัยและกล่าววาจาที่มีหลักฐานมีที่อ้างได้มีที่สุด ประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรดูก่อนพราม์กรื่มาดีทั้งหลายความประพฤติเรียบร้อยทางวาจาสี่ประการเป็นอย่างนี้แล้วเราทาดีไหมเนี่ยกายกรรม3วัจีกรรม4ที่เป็นกุศลเนี่ยเราฝึกตลอดไหมความเป็นผู้มีความไม่โลภมากไม่เพ่งเลง็งทรัพย์ของบุคคลอื่นเครื่องปล่มใจของคนอื่นขอให้ผู้อื่นพึงเป็นของเราเถิดไม่คิดอย่างนี้เลยปลาตนล์เขามีความสุขตลอด เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทมีความดำริในใจไม่ชั่วช้าขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนกันไม่มีทุกข์ขอสัตว์ทั้งหลายจงมีแต่สุขรักษาตนเองให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเธออย่างนี้คิดตลอดไหมคิดไม่คิดเขาให้คิดนะถึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมคิดแค่นี้เขาเรียกเป็นได้แค่กัลยาณชนนะยังไม่ได้เป็นอริยชนนะ เป็นคนมีความเห็นชอบเห็นไม่วิปริตผลแห่งทานที่ให้แล้วมีผลของการบูชาก็มีผลแห่งการเส้นสวงก็มีอยู่วิบากแห่งกรรมที่ดีกรรมชั่วก็มีอยู่โลกหน้ามีโลกคุณบิดามารดาเบต้อนะมีอยู่จริงเป็นต้นเรื่อเนี้ยถามว่ากระบวนการความคิดอย่างนี้ชัดเจนดีไหมโอ้ทีนี้กุศลกรรมมาบทก็ชัดเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกกุศลรู้ชัดกุศลทีนี้ประเด็นต่อมาคือ อะไรเป็นรากอะไรเป็นรากของของกุศลรากของกุศลคืออะไรความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็สัมมาทิฏฐินี่เป็นรากเป็นรากของกุศลในตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยยะมีสนในส่วนที่เรากำลังศึกษากันอยู่นี่เ <c oughs> ็าเรียกว่ากรรมมสกาสัมมาทิฏฐิเนอะในตัวปัญญาที่ไปเข้าใจไปเรื่องไปรู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ย ทานที่ให้แล้วมีผลทานที่ให้แล้วมีผลนี่ข้อแรกยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงมีผลผลวิบากแห่งกรรมดีที่ทำชั่วทำดีมีผลโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณสัตว์ที่เป็นโอปะปะติกามีแด้สนัพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนมีอยู่นี่เป็นโลกียสมา ธ, ธินะอัตติทินางที่ว่าการให้ทานเนี่ย การให้แบ่งเป็นการให้ที่หวังผลต่างๆนเนี่ยทีนี้การให้เนี่ยคนบางคนไปเข้าใจว่าโดยสารและทานในสมาธิฏฐิระดับเนี้หมายถึงการแบ่งปันโดยพื้นฐานก็ต้องอาศัยปจัจจัย4เป็นต้นเหล่นี้เป็ น, อ, น, อ, ปนอุปกรณ์การอยู่ร่วมกันการแบ่งการกินการใช้เนี่ยเป็นต้นเหล่านี้ในพุทธศาสนาทานคือการให้สิ่งของ ยันที่บูชาแล้วมีผลอธิยิฐทังยันในพุทธศาสนาคือการสงเคราะห์คําว่ายันเนี่ยนะหมายถึงการสงเคราะห์การสงเคราะห์เนี่ยกลุ่มสังคมสงเคราะห์ทั้งหลายเหล่าเนี้<ๆ>เรียกยันนันยันนาทานคือยันที่บูชาแล้วให้ผลไ ม, ไม่ใช่ไม่ใช่พปสักยันไม่ใช่ยงั้นเลยยั น, ย, นยันโยจับเนี่ยนะก็คือว่ามุ่งช่วยเหลือผู้คนที่มีประสบปัญหาขาดแคลนอดอยากเนี่ย คนพิการทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ทำโน้มบำรุงสิ่งของต่างๆการเส้นสวงมีผลส่วนการเส้นสวงอัถิหุดตังเนี่ยหมายถึงการนําสิ่งของที่ควรสักการะบูชาแก่ผู้ที่ควรบูชาโดยวัตถุประสงค์เพื่อ ย, ยกย่องเสริเสริญบูชาประกาศคุณความดีของผู้ที่เราสักการแะบูชาด้วยคุณความดีทั้งหลายเนี่ยนี่ยันในที่เนี้นะก็คือการแสดงออกซึ่งกตันยูกระตเวทีนี่แหละ ผลของวิบากกรรมดีกรรมชั่วมีวิบากแปลผลหรือผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยถ้าดูในพระสูตรก็จะมีเยอะเลยเนี่นะโลกนี้มีโลกหน้ามีได้บอกไว้แล้วสัตว์ที่มาจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้มีอยู่สัตว์จากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นมีเนี่ยนะนี่ น, นีส่วนหนึ่งนี่คือเกี่ยวในเรื่องของโลกียะสมา ธ, ธิิพอมองเห็นไหมมีใครถามอะไรไหม อโลภะความไม่โลภตรงกันข้ามกับความโลภเนียอโทศา ก, ก็คือกลุ่มเมตตาอโมหานี่เป็นชื่อของปัญญาล้วนๆเล ย, ยเนีย่นี่กำลังพูดในเรื่องของปัญญาเนี่ยทั้งโลกิยะสมาธิถีแล้วก็โลกุตระนี่เป็นชื่อของปัญญาหมดเลยเนะมี่อาดาย